เมื่อเช้าก่าอนหน้านี้นะ ท, ที่หลวงพ่อเปิดเพลงมันไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรเนาะแต่ทำนองทานองกันว่ามีความพยายามที่จะถามกันว่าออคนเราเมื่อตายแล้วไปไหนเนี่ยออยอมรู้สึกยมชไม่ก็ก็ฟังอยู่ด้วยอะนะ่เนาะเพราะว่าในเนื้อเพลงก็พูดถึงขันห้าอยู่เนี่ยทีนี้ยมฟังฟังแล้ว ไม่รู้ว่าเพิ่มความเข้าใจขึ้นไหมว่าอ๋อที่แท้นี่มันก็ประกอบด้วยอะไรนะธาตุทั้งหกธาตุใช่ค่นน้ำไฟลมอากาศและวิญญาณหรือว่าถ้าเรียกเป็นขันก็คือขันห้าขันห้ามันก็ไม่ใช่คนเมื่อขันห้าไม่ใช่คนแล้วใครจะเกิดแล้วใครจะตายง่ายมากเลยทีนท่านบอกว่าขันห้ามีมีอะไรที่รู้สึกเอ๊ะแตกต่างจากที่ที่เราคิดแากต่างที่เราที่เรา นึกก็หูตาคอเอ้ยนึกไม่ออกอะค่ะขั้นก็งงๆค่ะ oh. พอพอพอใช้พ อ, oh. พอความหมายที่ปรับเปลี่ยนไปอะค่ะก็เลยงงซึ่งสมัยพรเองจะแบบพอความรู้เกี่ยวกับขันห้าก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่พูดน่ะจะเอามาใช้กับชีวิตยังไงแต่พอให้เจาะจงไม่เป็นค่ะท่านอืมอืมอเอาพูดพูดไม่ค่อยถูกนะประมาณนี้เนาะ แตงพูดไม่ก็ถูกมันก็ดีนะเพราะว่าการรับรู้ก็ยังมีอยู่ถึงพูดไม่เป็นแต่การรับรู้มันก็รู้ได้เนาะรับรู้เช่นรับรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทํางานอยู่แต่เราพูดเรียบเรียงหรือว่ามาปรุงแต่งให้เป็นคําพูดมันก็พูดลาบากพูดยากแต่ว่าการรับรู้เนี่ยเสมอกันเท่ากับทุกคนเลยเพราะมีหูตาจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันอ ถ้าถ้าเรื่องขันขันห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้บางท่านอาจจะแบบว่าเออว่าเอขันอะไรไม่เข้าใจขันขันห้าขันอะไรมีห้าอย่างก็ไม่ไม่เข้าใจนะคะก็ฟังฟังมาเรื่อยๆก็อ๋อเข้าใจว่าขันห้าเนี่ยประกอบด้วยสมมติว่าร่างกายนะคะของเราอย่างเช่นเอดินน้ําลมไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือจะแยกเช่นดินก็คือแบบเช่นเอ ตัวเราร่างกายเช่กระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ําเช่นน้ําเหลืองน้ําลายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นเช่นของเหลวที่อยู่ในร่างกายนะคะลมก็คือง่ายๆคื อ, อเช่นเราต้องหายใจเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปเพื่อที่จะทํางานนะคะมันก็ทํางานสัมพันธ์กันไฟก็คื อ, อเช่น ต, ตัวเราเนี้ยค่ะถ้าเราไม่มีไฟนะคะตัวเราก็จะไม่ไ ม, มีอุณหภูมินะคะอ่าก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็วิญญาณ วิญญาณวิญญาณขันใช่ไหมคะวิญญาณก็คื อ, อขันที่ทำหน้าที่รับรู้เนะาะทั้ทงหูาตาจมาูกิม<อ>ูกใจอ่าตรงเนี้ยค่ะก็คือวิญญาณเห็นเนี้ยก็คือพอพอพอเราทราบว่าวอ๋อจริงๆแล้วเนะี่ยตัวตัวเราเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยขันทั้งหมดซึ่งพอเราพิจารณาสังเกตไหคะว่า กระดูกเราค่ะเวลาเราเราไม่อยู่แล้วนะคะเราก็กลายเป็นกระดูกเนี่ยเราเผาไปแล้วกเ็เป็นแค่ขี้เถ้านะคะน้ําเหลืองน้ําอะไรก็ระเหยไปก็หมดไปหรือแม้การรับรู้ของเรานะคะวิญญาณนักขันเนี่ยนะคะการรับรู้กันการได้สัมผัสหรือการได้ได้รับทราบจากอายตนะที่มันอยู่บนร่างกายเราเนี่ยก็ดับไปพร้อมกับเราอย่างเงี้ยค่ะนะค ะ, นะคะมันก็คือเป็นธาต มาประกอบรวมกันเพื่อมาเป็นร่างกายและก็การรับรู้ของเรานี่แหละคะ่ะดังนั้นอย่างที่ในเพลงที่หลวงพ่อท่านเอ อ, เ อ, อตอนเมื่อเช้านะคะก็หมายถึงว่าเมื่อในในเมื่อร่างกายนะคะหรือว่าขันทั้งห้าของเราที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปเนี่ยประกอบไปด้วยดินน้ําลมไฟนะคะแล้วก็วิญญาณด้วยนะคะก็ดับไปถึงแม้จะจบไปมันก็คือเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะ เพราะว่ามันแค่เป็นการประกอบขึ้นมาเป็นเป็นเป็นร่างกายหรือว่าเป็นเนี่ยค่ะของเราขึ้นมาแค่นั้นเองเมื่อมันมันจบเมื่อถึงเวลาก็เป็นไปตามปกติที่มันก็ไม่จริ ง, รงๆเราก็ไม่ได้เกิดเพราะพูดว่าเราไม่ได้เกิดเราก็จะมีความนึกคิดว่าอ้าวก็เราอยู่ตรงเนี้แล้วเราไม่ได้เกิดได้ยังไงใช่ไหมคะทุกคนเนีหยก็จะคิดแบบนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อ เราเอเข้าใจแล้วเรารู้ค่ะว่าทั้งหมดเนี้ยที่เป็นเรามันเกิดจากที่สิ่งที่มันเขียนอยู่หนึ่งอธิบายเนี้ยค่ะมันมันมันไม่ได้เป็นเป็นเราอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่าเรารู้มันนะคะเราเรารู้ด้วยว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่มันกําเนิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่แล้วหรือมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว เวลามันจบมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเป็นปกติค่ะหลวงพ่อฉันก็เลยว่าไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายตรงเนี้ยค่ะไม่รู้ว่าหนูหนูอธิบายถูกหรือเปล่าหลวงพ่อช่วยหนูหนูอธิบายชี้อีกทีก็ได้ค่ะถ้าถูกแล้วเลยคือการอธิบายแนวเนี้ยเหมือนกับว่าอธิบายให้รู้ที่มาที่ไปเนาะให้รู้ที่มาที่ไปที่เขาเรียกว่าว่าตัวตนหรือว่าคนหรือว่าตัวเราเนี่ยว่ามันมาที่ที่มาที่ไปยังไง ทีนี้พอเราขยายเนาะแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนออกมาเป็นแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะพบว่าอ๋อไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟหรืออากาศหรือวิญญาณธาตุเนี่ยมันก็เป็นเป็นธาตุตามธรรมชาตินะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยมันจะง่ายในการเข้าใจมากเลยว่าอ๋อมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเมื่อมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันก็จะเป็นเราไม่ได้ตรงนี้เบื้องต้นเนี่ย ที่จะเข้าใจเนี่ยมันมันง่ายมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าเข้าใจในระดับเบื้องต้นน่ะเนาะทีนี้พอธาตุเหล่านี้ยมันมารวมตัวกันดินน้ำํำลมไฟอากาศธาตุดินยานนาธาตุพอมันมารวมตัวกันปั๊บเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาเป็นรูปเป็นทรงเป็นรูปร่างเนาะแล้วก็รวมถึงมันมีทําให้เกิดความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆได้แต่เหล่าเนี้ยที่มาก็คือมาจากธรรมชาติธาตุตามธรรมชาตินั่นเอง ทีนี้พอเราเข้าใจว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วเนี่ยการที่จะถอดถอนความเห็นผิดว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเข้าใจง่ายว่าโอ้ที่แท้เนี่ยเมือม่อเมื่อมันเป็นธรรมชาติมันจะเป็นเราได้อย่างไรใช่ไหมละ่ะเออแล้วเราตอนที่ยังไม่ไม่เมื่อธาตุยังไม่รวมกลุ่มกันเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่ได้ปรากฏเพราะเพราะมันยังไม่รู้สึกว่าเป็นเราเพราะว่ามันยังเปนแยกกัน<ะ><ะ>อยู่อ่าแต่ทีนี้พอเกิดมาเป็น เป็นเด็กทารกแล้วเป็นอะไรเนี่ยตรงนี้มันเริ่มสะสมแล้วก็เริ่มยึดละเพราะว่าจริงๆรน่ยความยึดเนี่ยมันยึดข้ามภพข้ามชาติติดมากับวิญญาณนธาตนี่แหละหมายตัวเนี่ยมันติดมาพอติดมาเสร็จแล้วพอเป็นรูปร่างรูปอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มจําได้เริ่มคิดได้เริ่มยึดแล้วว่าไอ้นี่ดินก็เป็นเราไฟก็เป็นเราลมก็เป็นเราอากาศก็เป็นเราแล้วก็รวมถึงตัววิญญาณนธาตุเป็นเราอ่านี่แสดงว่ายึดทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นเราหมด ทีนี้ถ้าไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้ศึกษาธรรมะเนาะไอความหลงผิดเนี่ยมันก็ยังหลงผิดข้ามภพข้ามชาติต่อไปอีกก็จะทําให้เวียนเกิดเวียนตายด้วยความยึดมั่นถือมั่นอ่าแต่ว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราฟังอย่างนี้ก็เริ่ม อ, อ๋อที่แท้มันไม่มีเราเลยมีแต่ธาตุออมีแต่ธาตุพอมันแตกสลายไปความเป็นตัวเราที่เป็นกลุ่มก้อนก็ไม่เห็นมีเหลือเลยหาซากไม่เจอด้วยต่างหากหมด อ่าอย่างนี้ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าที่มาที่ไปของของของที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยที่แท้เนี่ยมันเริ่มจากความไม่มีตัวเราอันแหละแต่เพียงแต่ว่ามีความหลงยึดถืออยู่หลงเพราะจะเทียบเมื่อเช้ากันมันึกถึงวันวันนี้วันออกพรรษาเนาะเออยมลองขี่นาเร่องต่อนกันได้เมื่อเช้าวันออกวันนี้คือวันออกพรรษาถ้าถ้าเราพูดถึงเมื่อวานนะเมื่อวานเราก็จะบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษา ทีนี้ปรากฏว่าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ตอนเนี้มาถึงแล้วนี่หลวงพ่อยังหาไม่เจอเลยนะเนี่ยวันออกพรรษามันอยู่ตรงไหนเนี่ยไคือคือตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนาะสมมติว่าตั้งแต่เที่ยงคืนนะแต่หลวงพ่อตื่นมาสักตีสามก็ตีสามกว่าหลวงพ่อเข้ามาดูเ้าว่าวันเนี้ยวันออกพรรษาแต่หลวงพ่อก็ยังไม่พบเลยนะว่าไอแกณฑของมันเนี่ยไอแกณฑที่ว่าวันออกพรรษาเนี่ยมันอยู่ตรงที่นาทีตรงไหนนี่ไล่มานะจนกระทั่ง จนถึงบัดนี้เนี่ยยังไม่เห็นแก่นของวันออกพรรษาเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้าก็เออพูดถึงเรื่องพระจานทร์พระสารก็เทศเรื่องวันออกพรรษาเรื่องการถือศีลการอะไรเนาะหลวงพ่อรูแล้วแล้ววันออกพรรษานี้มันอยู่ตรงไหนนี่มันถึงเมือยหร่เนี่ยวันเนี้ยแล้วก็ถึงบ่ายถึงเที่ยงเนี่ยมันถึงเมือยหร่วันออกพรรษาจนกระทั่งข้ามวันไปอ่ะหลวงพ่อดูแล้วว่ามันหาแก่นของวันออกพรรษาไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้โยมลองดูสิว่ามันเป็นภาพลวงตาขนาดไหน ไอตอนที่ยังไม่ถึงเนาะมันนึกว่าพรุ่งนี้วันออกพรรษาต้องมีแน่ๆแล้วออกจริงๆแต่พอมันถึงเวลานั้นเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อก็ยังหาไม่เจอแล้วว่าโยองก็ยังหาไม่เจอก็ตกลงมันก็เป็นแค่คําสมมุติเป็นแค่สิ่งก็ปรุงแต่งขึ้นมาสมมุติขึ้นมาว่าวันออกพรรษาเนี่ยมันมีแต่โดยโดยสภาพสภาพธรรมะเนี่ยที่มันเป็นแก่นของวันออกพรรษาไม่มีอยู่จริง เหมือนกับชีวิตของเราเลยเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเหมือนเลยที่บอกว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเราเนี่ยเอาเข้าจริงอ่ะลองหาตัวเราเนี่ยตรงไหนที่เรียกว่าตัวเราอ่ะจะหาจะหาเป็นชิ้นส่วนเนาะจะพบหัวก่อนเนาะหัวหัวเป็นตัวเราได้ไหมก็ไม่ใช่คิ้วเป็นตัวเราได้ไหมไม่ใช่ตาเป็นตัวเราได้ไหมแขนขาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยไม่อาจจะเรียกว่าเป็นตัวเราได้เลย แต่ทีนี้ถ้าแยกชิ้นส่วนนี้ให้มันย่อยลงไปอีกเนาะอย่างเช่นหัวเนี่ยชำแหละให้เป็นเป็นชิ้นเศษเล็ก ๆ, ๆๆๆเนี่ยก็ยิ่งยิ่งหัวก็ไม่มี <c oughs> หัวก็หาย <c oughs> แข น, นอชำแหละให้เล็กๆๆๆเป็นฝอยฝอยฝอยอ่ะก็หาแขนก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นเหล่าเนี้มันเป็นภาพลงตาทั้งหมดเลยซึ่งไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่เขาสมมติชื่อขึ้นมาแต่โดยโดยแก่นของมันน่ะไม่มีหรอก เพราะงั้นเนี่ยเราเนี่ยถูกหลอกมากี่เพราะกี่าตาแล้วไม่รู้ว่ามีเราทั้งทั้งที่โดยเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีเนี่ยถึงเรียกว่ามันไม่มีอยู่จริงอ่าทีนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้นะเราก็มาปรับใช้คือใช้ปัญญาเนี่ยปรับใช้ก็คือว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับในร่างกายในจิตใจเนาะเพียงแต่รับรู้ขึ้นว่าว่าอ๋อสิ่งนั้นกําลังปรากฏและสิ่งนั้นกําลังปรากฏแต่เดิมมันไม่ปรากฏเนาะแล้วมันปรากฏ เพราะฉะนั้นความปรากฏเนี่ยมันก็มันก็เดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยมันก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏมันก็ไม่มีอยู่จริงนะสิ่งที่ไม่ปรากฏไม่มีอยู่จริงมีแค่ขณะจิตเดียวแล้วมันก็แตกมันก็ดับไปนะเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยฟึงสังเกตสิ่งเหล่าเนี้ยว่าอ่ะมันปรากฏละเดี๋ยวมันก็หมดนะไม่แต่ต้องไม่ต้องไปไปช่วยไล่ว่าเมื่อไหรมันจะหมดเนาะเพียงแต่รับทราบว่า เ อ, ออยังไงมันก็ต้องหมดมันยังอยู่ก็อยู่มันหมดก็หมดคือรู้ด้วยใจที่ที่ที่เป็นกลางเนี่ยคือใจมันมีอยู่แล้วเนาะใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันรู้อยู่แล้วแล้วใจเนี่ยจริงๆมันเป็นกลางอยู่แล้วด้วยนะเมื่อวานเราคุยกันเรื่องของคู่ <c oughs> แต่ใจเนี่ยมันไม่ได้ติดฝังไหนไงทุกข์กับสุขอย่างเงี้ยทุกข์สุขเป็นของคู่แต่ใจมันเป็นรู้เป็นผู้รู้ผู้รู้สุขแต่ใจก็ไม่เป็นสุขแล้วก็ <c oughs> เวลาทุกข์ปรากฏใจก็รู้ทุกข์ แต่ใจไม่ได้เป็นทุกข์เพราะใจมันเป็นธรรมชาติอีกอีกส่วนหนึ่งอ่าอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นคนและสิ่งกันเพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากรู้เท่านั้นเอง <c oughs> ที่เรานั้นกา ร, รดําเนินชีวิตให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ก็คืออยู่กับใ จ, ก, ออ ก, บใจก็คืออยู่กับรู้อย่างเนี้ยรู้คือรู้แต่พื้นแต่พื้นแต่ว่าไม่ใช่เรารู้นะเออมันเป็นรู้ของของธรรมชาติที่เรียกว่าใจอย่างเนี้ยก็เลยก็ไม่ต้องเป็นอะไรกันไม่ต้องเป็นอะไร แล้วในภาพรวมนะมองในเรื่องของกระบวนการของความปรุงแต่งค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็มันปรุงแต่งถ้าพูดถึงเรื่องขันห้าเนาะขันห้าก็คือมันทํางานร่วมกันตั้งแต่สมมติว่ามีเมื่อกี้ที่บอกว่าน้ําถูกสาดหน้าอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งเนาะมากระทบที่กายพอกระทบที่กายเนี่ยกายก็คือเป็นเป็นขันห้าเขาเรียกว่าเป็นรูปกายนะ แต่พอกระทบปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการรับรู้คือมีการผัดสะ mm hmm. ก็รับรู้ขึ้นมาพอรับรู้ปั๊บเนี่ยนูน่นจากกายนี่มันจะส่งไปลงที่จิตใจเลยเป็นกระบวนการของนามธรรมทั้งหมดเลย <c oughs> ตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงเนี้ยทํางานที่ใจเลยตอนนั้นในใจมันทํางานด้วยกันร่วมกันก็หมายความว่ามันไวอย่างยิ่งกว่าสายความแรกมั้งเนาะ <c oughs> มันเร็วมากไม่มีอะไรจะไปหยุดยั้ยงหรอกเพราะว่ามันมีเหตุให้ ให้ต้องทํางานให้ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเรื่องสัญญาก็ดีเรื่องความคิดความรู้สึกอารมณ์ก็ดีการรับรู้ทางใจก็ดีมันเสร็จสับภายในปุ๊บเดียวแค่นั้นแต่ความเกิดเร็วของมันมันก็ดับเร็วเหมือนกันนะจริงๆอะ่ะพอมันเกิดปับ๊บมันก็ดับเลยทันทีเหมือนกัน<ะ>เราอาจจะมองไม่เห็นการเกิดมองไม่เห็นการดับหรอกเพราะว่ามันมันเร็วเหลือเกินนะเนา ะ, ะแต่ถ้าเราฝึกสติไว้เนี่ยฝึกสติที่เขาเรียกว่าฝึกให้รู้ทันเนี่ย เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกสติมันก็มีแต่ว่ากระบวนการของขันห้าที่มันทำงานแต่รู้ไม่ทันพอรู้ไม่ทันเนี่ยก็จะไม่เห็นการการเกิดการดับคือเหมือนกับว่ามันมันไม่ดับเลยมันเกิดอย่างเดียวเนาะแล้วก็เรื่องความหลงยึดเนี่ยที่เป็นเรียกว่าอาวิชชาเนี่ยมันก็จะไปยึดกระบวนการทำงานของขันห้าว่าเป็นเรานะเป็นเราเราผู้โดนเราผู้ถูกกระทําเราผู้คิดเราผู้มีความรู้สึก คือมันจะยึดทั้งหมดเลย <c oughs> ยึดทั้งหมดเลย <c oughs> แต่ถ้าฝึกสติแล้วก็มีปัญญานะจนกระทั่งที่เราได้ยินธรรมะเขาพูดถึงเรื่องว่าเออแค่รู้แค่รู้กระบวนการทํางานของมันแล้วก็ไม่หลงยึดถ้าไม่หลงยึดเนี่ยสุมิว่าเรารู้ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่ามันทํางานอย่างไรก็คือรู้ว่ามันเป็นทํางานอย่างนั้นแต่ไม่มีผู้ยึดเช <c oughs> ่นโดนสาดน้ําแล้วมีความรู้สึกแล้วก็ได้แต่รับรู้ถึงความรู้สึกหรือว่ามันคิดแล้วรู้สึกว่า อย่างเช่นตอนแรกนึกว่าไอ้ผู้หญิงอครยากซีดสาดน้ํนาเ น, นี่ยที่นึกทิ้ผิดนะนะพนักงานค่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดไม่ยึดถือเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรือรวมถึงว่าเอาพมีคนมาบอกเออพอไปเห็นเหลือไปเห็นว่าหลวงพ่อเป็นคนพรมน้ําบนมันก็ความรู้สึกไม่พอใจมันก็จะหายหายไปแล้วก็เป็นรู้สึกว่าเออยินดีมากที่ได้ได้รับการพร <laughs> มน้ําบนเนาะกระบวนการทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เป็นขันห้า ถ้าไม่ยึดถือเนี่ยมันไม่เป็นไรหมดเลยนะมันถือว่าเป็นปกติเป็นปกติของขันห้าที่มันทํางานแต่มันมันจะมีทุกข์ไอ้ตรงที่ยึดนั่นแหละที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาเนี่ยนั้นถ้าเราฝึกที่เราฝึกเนี่ยที่คุยกันทุกวันเนี่ยคุยเพื่ออะไรก็เพื่อเพื่อให้รู้จักกระบวนการทํางานของขันห้าแล้วก็เมื่อรู้จักแล้วเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับเป็นเกิดสิ่งดับ แล้วก็จนไม่หลงยึดถือมาเป็นตัวเป็นตนเมื่อสิ้นจากการยึดถือตรงนั้นแหละมันจะไม่เป็นทุกข์ทางใจมันก็ได้แต่รู้แต่เห็นเหมือนกับดูหนังดูละครกําลังเกิดขึ้นมันก็จะไม่มีทุกข์วันนั้นที่เน้นก็คือเน้นเรื่องสตินะเรื่องปัญญาแล้วก็เน้นถึงเรื่องความไม่หลงยึดไม่หลงยึดในสังขารไม่หลงยึดในขันห้าแต่ขันห้าย่อมเกิดได้ถ้ายังไม่ตา ย, ยก็หมายความว่ามันจะต้องเกิดการกระทบมีผัสสะตลอดเวลาเลย แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ยึดถือแล้วค่เราไม่มีที่มันมีก็เพราะมีเราเรามีามีตัวตนมีเราเป็นผู้กําหนดกําหนดมาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ช่อ่าพอพอมีผู้กําหนดเนาะไอ้ผู้กําหนดนั้นแหละเป็นตัวตนขึ้นมาเอีทีนี้พอเป็นตัวตนเสร็จแล้วไอ้คนรุ่นหลังเกิดมาก็มีตัวตนเหมือนกันก็เราเป็นผู้เ ช, ชื่อตามเขาสอนตแต่ถ้าดับความเป็นเราเสียเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้ก็ไม่มีหรอกวันข้าพันศาไม่มี มีเนะมั น, ะมนเรื่องของปัญญาจริงนะเรื่องพวกนี้เนาะปัญญาคือเข้าใจแทงทะลุหมดเลยว่ามีแต่สังขารเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นแต่เราไม่มีนะแต่สมมุตินี่มาต้องโยงมาเกี่ยวข้องกันอีกเดี๋ยวพอไปพูดเรื่องอปรามาจาธรรมขั้นสูงเดี๋ยวคนก็ไม่ไม่ ไม่เอาสมมติไม่ใช้อีกก็อยู่อย่างเราไม่มีแล้วก็ทําชั่วผิดศีลผิดธรรมยุ่งกันไปหมดเลยนะรเราก็ต้องเข้าใจเรื่องสมมุติด้วยว่าเออสมมุตินะเนี่ยสมมติวันนี้วันออกพรรษาเนาะแล้วก็มีโยมมาทําบุญมาฟังธรรมเอออันนี้เป็นสมมุติแล้วก็พระเนี่ยพระก็เป็นสมมุติว่าเป็นพระแล้วก็มานั่งให้พร อ, อะไรเนี่ยแล้วสุดท้ายก็จบพิธีแล้วก็แยกย้ายกันต่างคนต่างกลับบ้านไอ้ทําคนต่างกลับบ้านมันก็เป็นสมมุติ ่ะใช้ให้ถูกใช้สมบูรให้ถูกาเรื่องของการฝึกสตินะหลวงพ่อ ก, ก็คุยเรื่องนี้แหละแล้วเป็นไงพอเราฟังจบไปแล้วได้เริ่มไหมได้เริ่มต้นไหมที่จะมาฝึกตามที่ได้ยินตามที่โยอมเข้าใจอ่ะนะเออได้เนาะขึ้นมาเล่าให้ฟังที่ฝึกยังไงมั่งอะไรงี้ฝึกยังไงฝึกตอนไหนแล้วเป็นยังไงบ้างของคุณตุ้ยเป็นยังไงบ้างคะ ก็นนรู้รู้ขึ้นค่ะรู้ว่าเออไม่ต้องไปไม่ต้องมาคิดสงสัยว่าว่ า, ว, าว่าเป็นยังไงไม่ต้องมีตัวตนสองคนมาทะเลาะ ก, กันแต่ถ้ามีสองคนกำลังพูดคุยกันก็อ่ะอก็รู้ว่าอ่าสองคนก็ก็คุยกันแล้วก็จบก็จบแคนั้นนะคะแล้วก็ก็มีบ้างที่ที่ที่ปล่อยให้ตัวเองคิดเดยอะอ่ะาปล่อยให้มัน อะรู้กาลังคิดเยอะแล้วแล้วก็ทําไงก็แค่รู้ก็ก็ก็บางทีก็ยังทํายากอยู่แต่ก็ไปเปลี่ยนเป็นโฟกัสไปที่อื่นๆเพื่อที่จะไปรับรู้อย่างอื่นนะคะมันก็ก็ก็โปร่งขึ้นก็รู้ไปทำอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เข้าใจคือเราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแค่รับรู้ว่าเรากําลัง ท ำ, ท, ำทำอะไรอยู่เหนะ็นเห็นเหมือนคนที่ยืนอยู่ข้างนอกก็เห็นเห็นอยู่อะค่ะเห็นว่าทำทาอะไรอยู่อะไรยเงี้ยก็รับรู้แต่แต่ก็ทำให้รู้สึกว่าเอ s. <S เอมันมีช่องว่างเนาะช่องว่างกับกับตัวตนกัแบบช่องว่างของคนที่กาลังคนที่รู้อยู่อะมันมีช่องว่างให้ให้ให้เราได้มองเห็นนะคะก็ก็ฝ<อ>ึกไปแบบแบบนี้เนี่ยนะฝึกสังเกตไปแบบนี้ไป ไปรก็ฝึกแบบนี้แหละเนาะแต่ที่นี้คอยสังเกตดูว่ามันเป็นเรื่องเรารู้หรือว่ารู้เราตรงเนี้ยเพราะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาเอาเป็นแบบเนี้ยอย่างที่ฝึกนะอย่างที่โยมฝึกฝึกสังเกตอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ต่อต่อมาเนี่ยลองแต่ไม่รู้โยมเข้าใจคำว่าเรารู้กับรู้เรา ไ, มไหมอะเนาะอืมเพราะว่าถ้าเรารู้เนี่ยหมายถึงว่ามีตัวเราเป็นผู้ตามดูเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็น อันนี้เขาเรียกว่ามีเราเป็นผู้ผู้เห็นผู้ดูผู้ ร, รู้แต่ถ้ารู้เราเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้หลวงพ่อยกตัวอย่างประกอบนะเช่นเช่นกรณีเรารู้นะอย่างเช่นอ่ะตอนนี้ตอนนี้รู้ว่ารู้ว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาอะรู้ว่าวันนี้วันออกพรรษาซึ่งใครใครก็รู้อ่ะส่วนใหญ่ก็คือรู้กันว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษา อย่างนี้เรียกว่าเรารู้เพราะมีตัวเราเป็นผู้รู้ใช่ไหมรู้ว่าวันนี้วันออกพรรษาแต่ถ้ารู้เราก็คือรู้เราอีกทีหนึ่งว่าอ๋อเราเป็นผู้รู้เนี่ยตรงนี้นะคือรู้ว่าเราเป็นผู้รู้ไอรู้เราเนี่ยคือรู้ว่าเราเป็นผู้รู้แต่ถ้าเรารู้คือเราเป็นผู้รู้เสียเองตรงนี้ก็ลองลองไปไปหัดสังเกตอีกทีนึ่งอย่างที่ที่โยมโยมเล่าเมื่อสักครู่เนาะที่หลวงพ่อถามว่า อ๋อทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังการฝึกสติแล้วเราได้ไปฝึกกันบ้างไหมแล้วฝึกแล้วมันเป็นอย่างไงบ้างนะตรงที่มาเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยอย่างเนี้ยกาเรียกว่ามีตัวเราเป็นผู้ผู้รู้รู้อะไรรู้ว่าเราไปฝึกแบบไหนแล้วเราก็ไปรู้ไปเห็นอะไรมาอย่างนี้เรียกว่าเรารู้แต่ถ้ารู้เราคือรู้ว่าเราเนี่ยกำลังพูดกําลัง เ, เล่าเหตุการณ์ให้หลวงพ่อฟัง ตรงนี้ลองลองไปพิจารณานนะเรารู้กับรู้เรามันจะไม่เหมือนกันแล้วกเ็เรารู้เนี่ยส่วนมากก็คือมีตัวเราเป็นผู้รู้อาจจะรู้ในเรื่องอดีตหรือว่าแม้กระทั่งมีเราเป็นผู้รู้ปัจจุบันมันก็เป็นเรารู้ได้แต่ถ้ารู้เรามีแต่ปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นเองนะถ้ารู้เราเนี่ยคือรู้ได้แค่ปัจจุบันขณะ ตรงนี้อาจจะยากแต่ว่าต้องฟังไว้ก่อนเพราะว่าทางหลุดพ้นเนี่ยมันอยู่ตรงที่รู้เราแต่ถ้าเรารู้เนี่ยปฏิบัติทํานานเท่าไหร่มันก็ไม่พ้นทุกเพราะว่ามียังมีเราเป็นแกนกลางมีเราเป็นเป็นตัวหลักอยู่แล้วก็ไม่ได้ทําลายไม่ได้ทําลายอะไรก็เรียกว่าความเห็นผิดถ้ารู้เรานี่หลุดพ้นเลยแล้วก็ทําลายความเห็นผิดหมดแล้วก็เข้าใจแจ่มแจ้งว่าตัวเราคือขันห้าเราไม่มีอยู่จริง